ในเวลาเป็นยามสุดท้ายเห่งราตรีที่เมื่อตมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาฝึกปฏิบัติธรรมากันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้วรวมมือกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอรายการธรรมะรับอรุณ โดยมีขปชาพระมาหาภัยบูอ์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันทำการเป็นช่วงของจิตตะวิเวกเรามาทำจิตให้มีความสงบในวันนี้เราไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอะติตั้งนานว่าขาเมยะนับปฏิกังเข อนาคตังยะทะตีตัมบะอีนันตังอปะตัญจะอนาคตังปัจจุป น, นังจะโยทัมมังตาทะตา ท, ทะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนูปุรุหเยบุคคลไม่ควรกำเนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวัง สิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลักไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่กลอนแคลนในธรรมนันนันได้บุคคลนั้นพึ่งเจริญธรรมนั้นเนือง ให้ปลุกโปร่ปรงเดิดพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมันจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญเรามาฝึกกับการอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันด้วยการที่มาสังเกตลมหายใจตม้วังกายของเรานี้คือกายที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้ เราเอาตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันนี่มันเป็นซะก่อนจึงค่อยจะไปคิดถึงอดีตรหรืออนาคตได้เริ่มต้นด้วยการมาตั้งสติเอาไว้อยู่ในกายหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ย, วยาวลึกๆนี้มันไปถึงท้อง เห็นไปถึงปลายมือปลายเท้ารู้สึกถึงลมอากาศธาตุลมที่มันผ่านเข้าไปในกายจนผู้ถึงไปหมดรู้สึกถึงลมที่มันผ่านออกจากกายจากปลายมือปลายเท้าจากท้องจนถึงหน้าอกถึงคอถึงในปรงจมูกจนมันออกไปข้างนอก ลมที่อยู่ข้างนอกมันก็คือลมที่อยู่ข้างในนั่นแหละเวลาเราดื่มนม้ำดื่มน้ำเย็นดื่มนม้ำอุ่นดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็คือธาตุน้ำที่อยู่ข้างนอกเข้าไปในกายของเราดูซึมไปตามส่วนต่างๆ่างของร่างกายเวลาเราปรสาัสสาวะออกมามันก็ออกมาจากกายของเราน้ำข้างนอกกับน้ำข้างในก็อันเดียวกัน คราวนี้เราใช้อากาศมันเข้าออกทางเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกลึกๆสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมาหายใจได้ตรงไหนเระว่ามันไปทั่วตัวเราเป็นมทถูกปะคราวนี้เราให้มาสังเกตดูนะตำแหน่งทางเข้าออกของลมาหายใจทันใจกระปริมุขขังมุขหมายถึงนามุข คือทางเข้าออกปริคือรอบคือบริเวณรอบๆบริเวณนี้ซึ่งสิ่งที่มันยื่นออกมาจากร่างกายเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าออกของลมก็คือจมูกนั่นเองเมื่อนอาการสตานที่ก็มีที่ยื่นออกมาเป็นสตาปฏรริกมเป็นหลังคาเป็นเชิงเป็นเพิง ยื่นออกมาเพื่อให้รู่าตรงนี้คือทางเข้าทางออกหเรียว่าเป็นหน้ามุกร่างกายเรามีจมูกนี่แหละที่ยื่นออกมาจากหน้าบางคนก็จมูกโด่งบ้างบางคนก็จมูกแฟบบ้างไม่มีปัญหาเพราะว่าตราบใดที่ลมมันเข้ามันออกได้มันทำหน้าที่ได้อยู่แล้วเรามาสังเกตบริเวณนี้บริเวณทางเข้าทางออกของลม ในนอนตัมบูฟังมันต้องเป็นด้านในลมมันผ่านเข้าผ่านออกอยู่ทางด้านในอยู่ในกรอบขอบของผิวหนังของเราให้เราตั้งจิตไว้บริเวณนี้มันก็คือบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละตัมฟังพื้นฐานนะอันนี้พื้นฐานเบสิกเริ่มต้นด้วยพื้นฐานพื้นฐานให้มันคงสังเกต ด, ดูลมไม่ต้องตามลมคราวนี้ ไม่ต้องตามลมเข้าลมออกให้รู้ดูอยู่ที่ตำแหน่งเดียวทำลมหายใจให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวแรงหรือค่อยร้อนหรือเย็นกี่หรือห่างมันธรรมชาตินะทุาคุณวิ่งอยู่คุณเดินเร็วๆอยู่มือดิมก็จะเร็วจะที แต่ถ้าบอกว่านั่งเฉยๆบางคนนอนมันก็จะห่างช้าๆจะให้มันลึกหรือมันตื่นก็ได้ทำอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายรีแลักซ์ผ่อนคลายส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนอกจากระบบหายใจในร่างกายของเราแล้วใช่ไหมยังกล้ามเนื้อต่างๆด้วย จะให้ธาตุลมมันเคลื่อนไปได้มันก็ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำํำผสมกันไปธาตุดินธาตุน้ําก็คือกล้ามเนื้อคือร่างกายของเราเนี่แหละเป็นหลักใหญ่ส่วนต่างๆของร่างกายก็ผ่อนคลายด้วยให้ฝึกให้เป็นนิสัยเลยจำบุฟังพอหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเนี่ยจะต้องตามด้วยกันผ่อนคลายกล้ามเนื้อเสมอผ่อนคลายความเกรง็งความตึงเครียดที่คอ ที่สีสากที่หน้าผ่อนคลายความเกรงความตึงเครียดที่บ่าไหลที่หลังผ่อนคลายความตึงเครียดที่แขนที่มือผ่อนคลายความตึงเครียดที่เอวที่ขาผ่อนคลายความตึงเครียดที่น่องที่เท้าผ่อนคลายหมด ให้ทำอย่างสบายๆรีแล็กซ์พอเราหายใจเข้าหายใจออกสองสามครั้งกูรู้สึกถึงลมที่เล่นไปในตัวทั้งหมดหายใจออกคราวนี้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณทางเข้าทางออกของลมนี่แหละมันคือการฝึกกาย ให้อยู่กับปัจจุบันละกายของเราตอนนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วผ่อนกายทางกายแล้วไม่บังคับแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องบังคับจิตของเราด้วยในช่องทางใจมันจะมีสิ่งที่เป็นนามอยู่หลายอย่างบูฟังหนึ่งในสิ่งที่เป็นนามหลายอย่างเกิดขึ้นในช่องทางใจนั้นคือความคิดความคิดเนี่ยมันจะมีมากเลย เดี๋ยวก็มีเสียงมากระตุ้นให้เกิดความคิดเดี๋ยวก็มีความคิดนี่แหละมากระตุ้นให้เกิดความคิดอีกแบบหนึ่งต่อไปอีกเดี๋ยวก็มีภาพมีกลิ่นมีสัมผัสทางกายร้อนเย็นมากระตุ้นให้มันต้องได้คิดต่อคิดต่อและอะไรอที่มันไปคิดนะความคิดมันก็เกิดได้จากหลายอย่างจากสิ่งกระตุ้นนี่ก็ส่วนหนึ่งจากจิตของเราก็ส่วนหนึ่งเอางี้ละกันอย่าเพิ่งบังคับมันซะก่อน เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นการบังคับเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับจิตเราไม่ต้องใช้จิตไปบังคับความคิดไม่ว่ามันจะมีหรือไม่มีมาอย่างไรก็ตามไม่ต้องบังคับความคิดแต่ยังไงถึงจะไม่ต้องบังคับความคิดได้ก็อยู่กับลมนี่แหละทุกฟังให้จิตมาอยู่กับลมไงแทนที่จะให้จิตไปอยู่กับความคิดถ้าจิตไปอยู่กับความคิด เดี๋ยวมันต้องได้ปรุงแต่งความคิดเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงบังคับความคิดเหล่านั้นให้ต้องคิดบ้างให้คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างหรือให้ไม่คิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะคิดหรือจะไม่คิดหรือให้คิดไปทางอื่นก็ตามนี่มันก็คือการที่ให้จิตไปบังคับนั่นแหละไม่ๆๆ แต่ที่ะให้จิตปอยู่กับตรงนั้นใช่ไหมความคิดนึงต่างๆให้จิตมาอยู่กับลมนี่นี่ให้จิตมาอยู่กับลมยังไงจิตถึงจะมาอยู่กับลมได้กุล ม, มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมล่ะก็ให้จิตนั้นมาอยู่บริเวณทางเข้าต่างออกของลมบางคนจะอยู่ท่ามกลางอกก็ได้หรือจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แตะกนที่ทําจํานานแล้วนะท่านฟัง จิตเนี่ยมันอยู่ในทุกที่แหละมันก็สงบหมดอะแต่ละคนที่ยังไม่ชำนาญหรือพึ่งฝึกทำหรือจะฝึกทำให้มีความชำนาญยิ่งขึ้นไปเอาตรงช่องทางที่ประปริชาบอกนี่แหละดีตั้งสติขึ้นไวเฉพาะน้าเฉพาะน้าทันใจเข้ามาปริมุกขังคือทางเข้าทางออกนั่นเองบริเวณนี้กำหนดจิตตั้งจิตของเราไว สังเกตดูลมนที่นี่จะรู้สึกถึงสัมผัสมากน้อยไม่มีปัญหาแต่สังเกตดูโดยไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับคือจิตพอมันไม่ไปอยู่กับความคิดไงไม่ไปสนใจในความคิดต่างๆมันไม่ใช่เป็นการบังคับแล้วมันเป็นการเฝ้าสังเกตดูลมเฉยๆสตินียจะเป็นการสังเกตดูตัง โดยไม่ต้องไปนึกถึงความคิดความคิดมันจะมีมามันกับมาของมันคราวนี้เราไม่ได้บังคับละถุกบังับเหมือนเสียงมันจะมีมาจะมีแหล่งกาเนิดเสียงแล้วเสียงมาโดนหูเราก็ได้ยินก็ธรรมาดาหรือเหมือนถ้าข้างบ้านเขาทำอาหารรถขยะมันขับผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยหรือในบางเวลาดอกไม้บานเราก็ได้กลิ่นด้วย มีกลิ่นมากระทบจมูกเราก็ได้กลิ่นด้วยเราจะไม่ได้ไปสามารถบังคับให้เสียงหรือกลิ่นนั้นมันไม่มานะ่ะคือมันมาก็มาแล้วไงเราก็จึงรับรู้ได้ความคิดนึกนี่ก็เหมือนกันตั้งฟังความคิดเป็นอิยตนะภายนอกไม่ต่างอะไรกันกับเสียงไม่ต่างอะไรกันกับกลิ่นเพราะเป็นอิยตนะภายนอกเหมือนกัน เป็นเพียงแค่ต่างกันในความเป็นนามหรือรูปใจนี่ก็ด้วยทุกฝังใจเนี่ยเป็นอายตนะภายในเหมือนกับตาเหมือนกับหูเหมือนกับจมูกเหมือนกับลิ้นเป็นอายตนะภายในเหมือนกันไม่ต่างกันเป็นช่องทางที่จะรับรู้สิ่งที่จะเป็นคู่กับมันมาหมูจะรับรสจะรับแสงไม่ได้ ของเขาทำคู่กันมากับเสียงเท่านั้นตาจะไปรับกลิ่นรับรสไม่ได้ถ้าเราจุ่มตาลงไปในอาหารนี่โอ้มันก็แสบทั้งล่ะของก็ทำคู่กันมาตากับภาพไม่ได้จะเป็นอย่างอื่นนั่นคือทางรูปทางกายทั้งใจก็เหมือนกันใจของเรานั้นทำคู่กันมากับความคิดนึกสิ่งที่เป็นธรรมารมต่างๆ ใ้เป็นอายตนะภายในสาหรับที่จะรับรู้สิ่งที่เป็นนามทั้งหลายในช่องทางใจเรามันจึงมีหลายอย่างตัมบฟังจิตเราก็อยู่ในนี้ด้วยจิตเราก็ถือว่าเป็นนามอย่างหนึ่งมันก็มาทำงานอยู่ในช่องทางใจของเรานี่ยแหละในที่นี้เราไม่ต้องบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทั้งกายใจทั้งรูปนาม คือการที่จะบังคับอะไรในจิตมันต้องส่งใส่ไปในทางนั้นจิตมันจะต้องไปปรุงแต่งสิ่งนั้นโดยความให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เราไม่ต้องส่งจิตไปไม่ต้องส่งจิตไปทางนามท ใ, ให้ไปรับรู้ธรรมรมความคิดต่างๆไม่ต้องส่งจิตไปทางรูปคือกายจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลึก ไม่ต้องส่งไปแต่ปกติแล้วจิตมันจะไปไงธรรมชาติของจิตคือมักจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆคือมันเป็นกรรมเนี่ยมันเป็นการกระทำนะมันเป็นลักษณะของมันมาอย่างนี้นะมันผูกมันถูกมันชงกันมาอย่างนี้อยู่แล้วนี่คือความเป็นภพไงทุกผู้ฟังภพนี่คือความเป็นสภาวะที่ชงกันมาอยู่แบบนี้อยู่แล้วว่าตาของเรา มันจะเห็นรูปแบบนี้ได้มันจะไม่เหมือนตาของสัตว์เดรัจฉานเช่นนกเช่นสุนัขนี่มันจะเห็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับมนุษย์หรือหูอย่างนี้หูของมนุษย์นี่เขาได้ยินแค่ 20- สถึงสอง0 0ื่นเฮิร์ซแล้วก็ในความคมชัดแบบนี้ของมนุษย์แต่สุนัขนี่มันได้ยินกว้างกว่าแล้วก็คมชัดกว่าซั่นคือความเป็นพบเป็นสป่าปววของเขาเป็นอย่างนั้น กายของเราใจของเรามันถูกผูกกันอยู่ได้พบแบบนี้อยู่แล้วจิตมันก็คล้องอยู่ตรงนี้ผูกผูกกันไว้แบบนี้มักจะคลอยเคลื่อนไปในลักษณะที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ในที่นี้ถ้าเราจะบอกว่าเ้ยอย่าให้มันคลอยเคลื่อนไปตามทางนั้นคือเดินเปรียบไว้เหมือนกับเวลาเราเอาสัตว์หกชนิดมีนกมีสุนัขบ้านสุนัขชิงจอจกจรเข้ งูแล้วก็ลิงแต่และตัวแต่และตัวมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วถ้าเราเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกรวมกันไว้ตรงกลางนะมันดึงไปแน่นอนแต่และตัวมีที่อยู่ที่หากินแตกต่างกันลิงที่ได้มันจะไปลงน้ำใช่ป่ะล่ะมันก็ไปป่าแล้วแล้วจระเข้ที่ไหนมันจะบินขึ้นฟ้าใช่ละ่ะมันไม่มีปีกมันก็ต้องลงน้ําอ่ะต่างตัวต่างคนก็ต่างจะไปล่ะ ดึงไปไงเหมือนกันจิตนี่ก็จะถูกดึงไปตามเสียงตามภาพตามความคิดตามช่องทางนั้นๆไม่เราไม่ปล่อยไปยงั้นอย่าปล่อยจิตไปทางนั้นสิ่งนั้นมันเป็นธรรมชาติขมันอยู่แล้วนกมันก็ไปอย่างนี้จระเข้ก็ไปอย่างนี้หูเราก็ได้ยินเสียงนะึ่งจมูกเราก็ได้กลิ่นธรรมชาติของเขาแต่จิตเราอย่าให้ปรุงแต่งตามไปโดยการที่ เราปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้กล่าวนี้กับเสาเป็นเสาที่มีความมั่นคงเป็นเสาที่ไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแกลนเป็นเสาเขื่อนเสาหลักผูกไว้แล้วนี่สันหกชนิดนี้ไปไม่ได้นะคือจะดึงไปได้อยู่แต่มันไปไม่ถึงป่านั้นขึ้นไปไม่ถึงฟ้าสูงๆถ้าเป็นนก ไปก็ไปไม่ถึงหรอกปาา่าช้าจะเป็นสุนนักจิงจอกไปก็ลงน้ำไม่ถึงอ่ะจะเป็นจอร์เจ้ไปได้อยู่แต่ไม่เต็มที่ดึงได้อยู่เชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มคือมันได้แต่ดึงดึงใหปเฉยเหมือนกันจิตของเรานะจิตของเรานะไว้อยู่กับสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงไหนสติอยู่กับปัจจุบันบุัง สติไม่ใช่ความคิดสติไม่ใช่อดีตอนาคตสติคือการระดึกได้สติคือการสังเกตดูแค่เราสังเกตดูลมบูมและนั่นหลยนั่นเล ย, เลยแค่สังเกตดูลมการสังเกตนั้นน่นนะคือสติแล้วแค่คุณสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่บังคับโดยไม่ปรุงแต่งตามไป โดยไม่ยึดมั่นถือมันสังเกตดูตามเนื้อผ้าตามธรรมชาติของเขาเฉยๆอย่างเช่นเราดูลมเป็นต้นเราใช้ลมไายใจเป็นคเครื่องมือในการสังเกตดูคู่และนั่นเลเดี๋ยวนั้นเลยทันทีเลยนั่นแ่ะการสังเกตนั้นนั่นนะ่ะคือสติไม่ใช่ลมหายใจนะคือสตินะไม่ใช่นะไม่ใช่ผููไปสังเกตด้วยนะผู้ไปสังเกตเนี่คือจิตนะจิตไปสังเกตเห็นนะการสังเกตเห็นเนี่ยคือสติตั้งหา สังเกตดูลมนั่นคือสติคือคุณระลึกถึงลมหายใจได้การทีค่คุณสังเกตได้คือคุณนึกถึงได้ความนึกถึงระลึกถึงสังเกตเห็นได้นั้นคือสติการที่เราใช้คเครื่องมือคือลมหายใจสติแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นอาณาปานาสติแต่บางคนอาจจะใช้พุทโธอาจจะใช้คเครื่องมืออื่นๆต่างๆเช่นกาย หรืออาจจะเป็นความคิดอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เป็นความคิดเรื่องศีลเราก็เรียกว่าศีลานุสติถ้าเป็นความคิดเรื่องความตายเราก็เรียกว่ามารณสติแต่เป็นความคิดถึงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติแต่คุณจะมาคิดถึงหมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นธรรมานุสติได้หมดท่าุผู้ฟังขันสาไม่เ ย, เยอะแยะ แต่เอาตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังเกตดูลมทำสติของเราให้มีกําลังด้วยการสังเกตดูเฉยๆการทําให้มันมีขึ้นดีขึ้นนี่ก็จึงเรียกว่าเจริญอาณาปานสติสร้างความเคยชินนี้ให้จิตของเราแทนที่จะให้จิตของเราเน้นไปเคยชินอยู่กับการที่จะต้องไป ปรุงแต่งตามความคิดบ้างเสียงบ้างความรู้สึกบ้างกลิ่นต่างๆคือความที่จิตมันไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นมันเป็นลักษณะของความเคยชินตัามฟังมันก็คือสิ่งที่เราทำซ้ำๆย้ำๆเดิมๆไปความเคยชินเดิมๆที่จะปรุงแต่งตามเสียงตามภาพโน่นนตอนนี้หยุดหยุดสร้างความเคยชินใหม่ ซึ่งการจะสร้างความเคยชินใหม่ก็คื อ, ค อ, คอทําซ้ําๆย้ำยํำๆเดิมๆไปนี่แหละทําให้มันเป็นของเดิมจากของใหม่ใช่ไหมให้มันเป็นของเก่าให้มันเป็นของเดิมให้มันเป็นของเดิมทำยังไงก็ทําบ่อยๆไงมันจึงจะเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นของเดิมๆมันมาได้แต่ละครั้งเข้าแต่ละครั้งออกลมใจสังเกตดูความสังเกตนั้นคือสติ แต่ละครั้งเข้าแต่ละครั้งออกไม่ไปตามความคิดนึกที่แตมันมีมาแต่ละครั้งเข้าแต่ละครั้งออกลมหายใจเราไม่ไปตามกลิ่นตามภาพที่มันผ่านมามันมาแน่นอนแล้วนะแต่ลืมตาก็เห็นภาพถ้าเปิดหูก็ได้ยินเสียงความเคยชินในการไม่ปรุงแต่งตามไปสิ่งนั้นก็มีขึ้นมาฟังคำนี้ดีนะ ก็มีความเคยชินในการปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆแล้วใช่ไหมทีนี้พอเราไปอยู่กรบลมที่เราไม่ได้ไ ป, ปะจะไปปรุงแต่งตามนั้นความเคยชินในการไม่ปรุงแต่งตามไปก็เกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาความเคยชินในการไม่ปรุงแต่งไปตามความคิดความเคยชินในการไม่ปรุงแต่งไปตามเสียงภาพก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นความเคยชินใหม่ ที่ไม่ปรุงแต่งตามไปไงเกิดขึ้นมาจากการที่เราสร้างความเคยชินใหม่ในการที่เรามันดูโลมาใจสังเกตโดยใฉลักษณะที่เราพัฒนาความเคยชินที่ทําให้การปรุงแต่งลดลงเนี่ยนะการปรุงแต่งที่ลดลงเนี่การปรุงแต่งที่ลดลงเนี่มันคือเรื่องของมรณนะธรรั ง, งเป็นทางที่มีองค์ประกอบกันประเสริฐ8ดอย่ยางเป็นทางพิเศษ ไม่ใช่เป็นทางที่จะทําให้มีการปรุงแต่งเพิ่มเดิมมากขึ้นแต่เป็นทางที่จะทำให้เกิดถึงความดับความระงับความรู้ยิ่งความรูปร้ปลอมหนึ่งกิจิพานทางนี้มีสมาสติแน่ที่เราเมืองตําอยู่นี้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือความคิดนึกต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้สร้างความเคยชินเหล่านั้นเสียงนั้นภาพนั้นความคิดนั้น จะอ่อนแรงลงจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเพราะว่าเวลาเราตริตริกคิดนึกไปในเรื่องใดทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปในเรื่องนั้นทางนั้นจิตเราน้อมไปในเรื่องไหนทางไหนทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีกำลังพลังขึ้นมานี่ความมันเชนนะทุกฝัง่งค o m มม n s นเ s นเป็น สามสนึกเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราใส่ใจไปในเรื่องไหนสิ่งนั้นมันก็สำคัญขึ้นมาไงสิ่งนั้นมันก็มีพลังขึ้นมาน่ะทางตรงกันข้ามก็จริงนะเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไปในเรื่องไหนสิ่งนั้นมันก็ไม่มีพลังก็อ่อนกำลังพลังไปเพราะว่าจิตเราไม่ได้คล้อยเคลื่อนไปทางนั้นไงที่จิตเราไม่คล้อยเคลื่อนไปทางนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ตรีตรึก ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดนึกไปในทางนั้นพอเราไม่ได้คิดไปในทางไหนจิตเราก็ไม่ได้น้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นจิตเราไม่ได้น้อมไปทางไหนสิ่งไห น, นสิ่งนั้นก็ห่อนกําลังหมดพลังไปในที่นี่เรามาตั้งจิงรกรโยลมสติของเราก็มีกํำลังขึ้นมาลักษณะการที่เราอยู่กับปัจจุบันนี้คืออยู่อย่างนี้อยู่โดยมีสติ อยู่โดยไม่เพลินอยู่โดยไม่เผลออยู่ด้วยความมั่นคงของเสาที่ไม่งอนเงนไม่คลอนแกลง้งแต่มั่นคงเสาเนี่ยนะหมายถึงเสาที่ผูกสัตว์ทกชนิดนี่ถ้าราะว่ามันเป็นเสาไม้ซีคือไม้ลวกหรือไม้ไผ่ลำไม่โตเนี่ยปักลงไปบนรองแกลบบนทราย หรือบนโคลนเนีปากลงไปแล้วก็ปักไม่ลึกด้วยโอ้ยถ้าเอาสัตว์หกชนิดเหล่านั้นมาปลูกที่นี่นี่หลุดแน่นอนไม่ต้องถึงยิงหรอกน้ำฟังเอาแค่ลมพัดมันก็ลมแล้วถ้าเสาวงอนเงนคลอนแกลนนี่มันไม่อยู่นะสตินะถ้างอนเงนคลอนแกลนไม่มีกําลังมันก็จะเผลอเปลื่นไปได้หลุดได้ ท่านจึงบอกว่าไม่งอนเงันไม่คลอนแกลนในธรรมนั้นๆได้อสังหิรังอสังกุ ป, ปังง่อนเงันคลอนแกลนคือความที่เรบเลินไปไงทุกฝั่งคือบางคนเพลินไปในปัจจุบันได้นะที่บอกว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเป็นพุทธพจน์นะท่านบอกว่าปัจจุป น, นังจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติ คือเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแกลนเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันดูฟังเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันบางคนอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็เพลินไปในปัจจุบันนั่นคือไม่เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันเพลินไปในปัจจุบันเป็นยังไงก็เช่นเล่นดนตรีอะกินข้าวอ่ะ ด น, ดนตรีคุณเพลินไปในเสียงที่คุณได้ฟังในขณะที่คุณเล่นอยู่ตื้งตืงตืงตืงต ง, งหรือว่าคุณกินอาหารอะไรต่ออะเพลินไปในสิ่งที่คุณกินอยู่นั่นแล้วเพลินไปในปัจจุบันแล้ปัจจุบันฉัน ก, ก, กินข้าวอยู่ฉัฟังเพลงอยู่ไงไม่ใช่แต่ไม่งอนแง่นไม่กรนแกลนในสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันเห็นแจ้งในทำปัจจุบันเวลาเราคิดเรื่องอดีตนะตัง้งัง ชินเมื่อวาเป็นมาอย่งงางไรแต่ที่ตีแล้วเป็นยังไง айн? โอ้สิปีที่แล้วฉันเป็นยังไง айн? โอ้ยี่สิปีเป็นยังไงผ่านมาแล้วนี่คุณคิดเรื่องอดีตก็คิดในตอนตอนนี้เปะละ่าล่ะแต่ตอนนี้คุณคิดเรื่องอดีตคุณก็คิดตามปัจจุบันนี่แหละถูกปะเออใช่ไงเราคิดเรื่องเมื่อวานนี้เราไม่ได้คิดเมื่อวานนี้นี่เราเมื่อวานนี้มันเจอประสบการณ์นี้หรือว่าสิปีที่แล้วเจอประสบการณ์นี้ แต่เวลาเราคิดเราคิดตอนนี้นะอนาคตก็ไม่ต่างกันด้วยนั่นวังคุณจะคิดว่าพรุ่งนี้จะไปไหนทําอะไรสัปดาห์หนะ้าจะวางแผนยังไงทําอะไรหรือปีหนะ้าอีกสิปีข้างหนนะ้าฉันต้องมีสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นวางแผนไปเนี่ยเวลาคิดเรื่องอนาคตไม่ใช่ตอนนั้นเราไปคิดนะก็มันยังไม่มาถึงบลาเราจะไปคิดในอนาคตที่มันยังไม่มาถึงได้ไงใช่ปะเวลาเราคิดเราคิดตอนนี้ล่ะ คิดตามปัจจุบันนี่ะปัจจุบันที่เราคิดถึงอนาคตไงเมื่อคุณก็เพลินไปในเรื่องอดีตอนาคตัด้ไงที่คุณคิดนั่นน่ะคิดตอนไหนปัจจุบันอะไรทั้งนี้คือไม่เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไงเพราะนันไปคิดเรื่องอดีตอนาคตแล้วเพลินไปในอดีอนาคตนั้นก็ถึงบอกว่ามันเพลินไปในปัจจุบันได้ไงนผู้ฟังคนเรานี่เพลินได้เพราะเผลอสติไงง่นเงันกรอนแกลนว่า เสามันไม่แข็งแรงปากลงไปไม่ลึกตื้นๆเชือกก็เป็นเชือกฟางธรรมดาขาดง่ายเสาไม่แข็งแรงปากไม่ลึกเชือกขาดง่ายสัตว์ทั้งหชนิดมันก็เป็นนี้หมอนนั่นคือเงือนเงินกอนแกลนในธรรมปัจจุบันคือเปลอเลนคือไม่มีสติในที่นี้เราตั้งสติโดยลหมหาใจ ตั้งสติขึ้นด้วมหายใจแล้วถ้าคิดเรื่องอดีตมันก็อยู่กับปัจจุบันน่ะถ้าคิดเรื่องอน า, าคตก็อยู่กับปัจจุบันไงอยู่กับปัจจุบันแบบไม่งอนเง่นไม่คลอนแกลนเห็นแจ้งในทำปัจจุบันมันคือเสาแข็งแรงนะเป็นเสายินตั้งแทงปากลงไปนี่ปากลึกด้วยเชือกในเชือกเหนียวอย่างดีจะไปไหนได้สัตว์หกชนิดไปไม่ได้อย่างดีก็ดึง ดึงเชื่อก็ตึงแต่ไปไม่ถึงหลอกน้ำํำจระเข้นะไปไม่ถึงหลอกปลาช้านะเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะไปไม่ถึงล้อกิ่งไม้นะเจ้าลิงนะี่ดึงก็ดึงไปเฉยเหมือนกันเราอาจจะมีความคิดนึกอดีตอนาคตแต่จิโกโร่เนี่ยมันไม่เพลินตามไปไม่เปลินนี่เพราะมีสติไงสติจะตรงข้ามกับความเปลินเพลินตรงไหนสติอ่อนกาลัง มีสติตรงไหนความเพลินนอนกำลังไม่เผลอไม่ลืมไม่เพลินนั่นคือมีสติระลึกได้สังเกตดูเเฉยไม่ตามไปอยู่อะไรลมหายใจจะเบาจะแรงจะทีจะห่างจะร้อนจะเย็นไม่มีปัญหาให้มันอยู่เถอะเบาเบาก็ได้ไม่ต้องเหมือนครับ ความคิดด้วยกลิ่นด้วยเสียงด้วยไม่ต้องมือนคับกายด้วยต้องเกรงต้องอะไรให้ผ่อนคลายให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาใครกรุนถึงธรรมะบทนี้ตีตั้งนานว่าก็ไม่ยกักอดีตดล่วงไปแล้วนับปฏิกางเคอนากตังอนาคดยังไม่มาถึงจะไปมุ่งหวังสิ่งนั้น อย่าไปคล้อยเคลื่อนตามใบสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วเวลาเราคิดเรื่องอดีตเราก็คิดในปัจจุบันานมาแล้วเวลาเราคิดเรื่องอนาคตเราก็คิดในปัจจุบันมันยังไม่มาถึงคนเราจะคิดถึงอดีตอนาคตนะทุกฝั่ ง, งมันก็นี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณ์และธรรมารม ในอดีตมัอนก็นนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และธรรมารมในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตที่ก็ยังมาไม่ถึงก็หกอย่างนี้เท่านั้นเหมือนกันกับที่เราอยู่ในปัจจุบันไม่ต่างกันความมันมีแค่นี้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์ธรรมารมณ์ภายนอกนะที่รับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่่าคุณจะบอกเอนี่มันเรื่องใหญ่มากนะข้อขาดบาตายเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเรียนบ้างเรื่องการวิศวกรรมบ้างเรื่องการงานบ้างเรื่องการเงินบ้างมันออกไปจากหกอย่างนี้เหรอมันจะหนีออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นเหรอไม่เลยนบวังมันก็อยู่ในหกอย่างนี้แหละตามช่องทางของมันแล้วมันต่างกันยังไง ไม่ต่างกันไงทุกฝังเหมือนกันอดีตอนาคตเนี่ยมันจึงเหมือนกันเหมือนกันตอนที่มันเกิดอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันตรงที่มันเลยมาแล้วจะเป็นอดีตยังไม่มาถึงจะเป็นอนาคตมันมีแต่ตอนนี้และตอนนี้และตอนนี้เท่านั้นมันมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเท่านั้นที่คู่กันมากำรูปด้วยเสียงด้วยจนถึงดรรมารุมด้วย มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองจีโกนที่ถูกดึงไปนี่นะมันจะช้านะทุกฝั่งมันก็เอาตะขอเนี่ยมาเกี่ยวไว้เอาตะขอมาเกี่ยวตาเราดึงออกเอาตะขอมาเกี่ยวหูเกี่ยวจมูกเกี่ยวปากเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าอกขอเราไว้ดึงใบดึงไปนะี่ยโอ้โูกฉีกถูกดึงมันก็เจ็บไงเพราะถ้าจีโนเราเนี่ยถูกดึงไปอดีตบ้างนาอนาคตบ้างผ่านทาง ความคิดบ้างผ่านทางเสียงบ้างผ่านทางกลิ่นบ้างเนี่ยมันจะเวอรวัจิตเวอรวัก่อนกำลังมันจะเป็นจิตที่มีช่องโหว่มากคุณังจิตที่มีช่องโหว่มากเนี่ยให้เขาแทงได้ง่ายๆจะเจ็บเจ็บแล้วมันก็แสบด้วยแสบแล้วมันก็ปวดด้วยเน่าด้วยมันจะเ ก, ก, กร็งได้รับความทุกข์่านจะบอกว่าอย่าเปิด ตรงนั้นตรงนี้เป็นช่องโหว่อุดเอาไว้อุดเอาไว้ล่วงไปแล้วล้าไปแล้วจากไปแล้วเรืยปล่อยวางสะนั่นคืออดีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นอดีตนะปล่อยวางอดีตกับการไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมามันคุณลักษณกันนะเพราะปล่อยวางเรื่องที่ผ่านมาได้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น เป็นความรู้สะสมให้เราเรียนรู้ได้ลืมกับปล่อยวางเป็นคนละอย่างคิดว่าจะต้องลืมเหตุการณ์ในอดีตบางทีมันไม่ลืมหรอกเหตุการณ์ในอดีตนะแต่ปล่อยวางให้มันได้จำจำได้นุฟังเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราจดบันทึกไว้อะไรไว้เราจำได้อยู่แล้วใครทําอะไรใครพูดอะไรเราจําได้แต่ถ้าจะให้ยึดถือให้ห่วงเห็น ให้ว่าอย่าเป็นอย่างนี้หรือต้องเป็นอย่างนี้เราจะชำ้ำในที่นี้คือเราปล่อยวางมันจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงมาแล้วก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละ่ะไม่ว่าอะไรเรียนรู้จากประสบการณ์ปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางได้ไงนะอยู่กับปัจจุบันให้มันเป็นคือเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันอย่างนี้สิ่งที่ไม่มาถึง ยังไม่มาถึงอย่าส่งจิตตามไปปรุงแต่งตามไปคำว่าไม่ส่งจิตตามไปหมายถึงไม่ปรุงแต่งไปในอนาคตว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนั่น น, น, น, นัคือมุ่งหวังสิ่งนี่ยังไม่มาถึงเลยใช่ไหมละ่ะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้จะวางแผนอนาคตได้ว่าปรุ่งนี้ฉันจะโทรหาใครทําอะไรแผนงาน project, โปรเจกต์โครงการจะเป็นยังไงมันวางแผนได้สิทธิ์มฝัง ระหวางแผนกับการมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยมันควรละอย่างกันคือเหมือนกับอดีตใช่ไหมละ่ะกำานึงตึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วกับการที่เราเรียนรู้ไม่ลืมอดีตนี่มันควรละอย่างกั น, นยอย่างที่ว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงเราไม่ไปมุ่งหวังแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่วางแผนไม่มุ่งหวังนั่นหมายถึงไม่เพลินไปตาม ไม่ได้ว่าจะต้องคาดคัน้นหรือหมายมั่นหรือยึดถือว่าอนาคตที่เป็นเสียงเป็นภาพเป็นกลิ่นนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คือมุ่งหวังสิ่งนี้ไป ม, มาถึงใช่ไหมแต่เวลาเราวางแผนเ น, นี่นะเราคิดว่าเอออนาคตเราจะทําสิ่งนี้เราจะไม่ทําสิ่งนี้เราจะทําสิ่งนี้เวลานี crazy, er, ้เวลาสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะไม่ทําอย่างนั้นลักษณะนี้เป็นการกําหนดสติเอาไว้ตั้ัง ด้วยกำลังสติสัมปชัญญะวางแผนได้วางแผนได้ ไ, ดไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ใช่ว่าลืมจำได้แต่ให้อภัยปล่อยวางเป็นหมายถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วนั่นก็เป็นอันลาไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ให้มีการวางแผนมีการกำหนด สิ่งที่เราจะทำเอาไว้โดยไม่ไปยึดถือหรือเผลอเพลินในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่ก็จึงเรียกว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงแต่เวลาเราคิดเรื่องอดีตที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ปล่อยวางได้ในอดีตแล้วเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเวลาเราคิดเรื่องอนาคตจะวางแผนสิ่งที่จะมายังมาไม่ถึงนั้นเราอยู่กับปัจจุบันง อยู่กับปัจจุบันเห็นแจ้งไม่งวนเงันไม่คลอนแคลนด้วยสติที่เป็นเหมือนเสาเืนเสาหลักมีความมั่นคงทำอยู่บ่อยๆจนปลุกปรงตันว่านั่นคือสร้างความเคยชินจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกปรงทะลุทะลวงแจ่มแจ้งปลุกปรงคือความเคยชินใหม่ที่เราสร้างขึ้นใหม่เดี๋ยวนี้ ทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพราะอะไรตูบูฟังเพราะมันมีเพชฌฆาตตามหลังเรามารู้หรึเปล่าว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกทุกวันทุกวันเนี่ยมันทําให้เราใกล้ความตายเข้าไปลมหนึ่งลมหนึ่งนะดูฟังนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหนึ่งเราใกล้ความตายเข้าไปทีละครั้งละครั้งนะ่ะโอ้เหรอท่านถ้างั้น ก็ไม่ต้องหายใจไม่หายใจก็ไม่ได้บ้งถ้าไม่หายใจอีกหนาทีคุณตายแน่นอนเอางั้นก็หายใจหายใจคุณเกินไปหนาทีได้อยู่หายใจครั้งหนึ่งตอนนี้คุณต่ อ, อยุบไปได้หนาทีใช่ป่ะแต่ว่าโดยวมทั้งหมดมันสั้นลงครั้งหนึ่งอะความตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าหนาทีนี้ด้วยนะระวั ง, งนะบางทีด้วยปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจด้วยที่ว่าจ ะ, จะตาย ผู้ปฏิเหตุบ้างการที่ธาตุลมกำเริบในกายบ้างฉันจะบว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากไม่ได้เลยมัจจุราชคือความตายมีเสนาหมายถึงหมู่พวกรองเขามาเหตุแห่งความตายมีมากโรงพยาบาลแต่ละแห่งละแห่งนี้มีคนตายทุกวันตั้งแต ทุกวันจริงๆท้าถนนมีคนตายทุกวันบนที่เหตุนี้ทุกวันจริงๆขนาดว่าช่วงโควิดเนี่เขาไม่ให้ออกนอกบ้านนะก็ยังมีคนตายบนถนนน้อยบางมากบางเหตุที่ไม่ให้หน้าจะได้ตายมันยังตายได้นะ่ะเสียนาหมายถึงสมุนเหตุที่ให้ตายเนี่ยมันเยอะมากนับไม่ท่วนกินข้าวดีๆอยู่คิดว่าจะให้เกิดมีชีวิต ลูกจินติดคอตายเออหายใจดีๆอยู่คิดว่าจะให้มีชีวิตเกิดมีธาตุลมตีชักดิ่งชักงอขึ้นมาก็นั่นแล้วลมหายใจนะ่ะวันนี้รุ่งนี้มรืนนี้หรืออาจจะแค่อีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงข้างหนนะ้ามันไม่แน่เลยทุกฝังมันไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คือมันแน่ๆอยู่นะ เทีนเนี่ยไม่มีนะแน่ๆนี่ก็ยังไงตายแน่ๆแต่ที่ไม่แน่นี่ก็ไม่รู้เมื่อไรไม่แน่แต่แน่ๆเอเแล้วยิ้มยาไงมันจะต้งดิ้นรนตื่นเต้นเนี่ยเพือคือมันพอไม่แน่แต่แน่เนี่ยมันจึงจะตกใจได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันยังไงแน่ๆเลยนี่นะเราไม่ตกใจเลยนะยังไงเรารู้มันมาแน่นอนอะความตายไงมันแน่นอนอะ เราเอาตรงความแน่นอนตรงนี้ไงคือถ้าเราจะแบบเอาความไม่แน่นอนเนมันจะแบบว่าได้กังวลใจนั่นนี่มันจะใช่ไม่ใช่ยังไงจะมาเมื่ อ, อไรมันจะมีความกังวลใจเหมือนอดีนาโคตนี่แหละจะไปอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วมันจะได้กังวลใจแต่ว่าท่านยังไงแน่แน่เนี่ยมันจะมั่นใจความมั่นใจยังไงแน่แน่ือปัจจุบัน ความมั่นใจยังไงแน่แน่นคือตายแน่พะมีความมั่นใจในปัจจุบันเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันยังไงความตายมันมาแน่ผัดเพี้ยนไม่มีนี่แหละท่านฟังมันจึงจะสงบได้ความเป็นผู้สงบนักนคือหมายถึงเราเห็นความจริงข้อนี้ออว่าทุกอย่างมันอยู่กับปัจจุบันตรงนี้นีเองอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เปล่ยนไปในปัจจุบัน แต่เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่กร่อนแกลด้วยสติเห็นว่าความตายมีมาแน่นอนปรับเปี่ยนไม่ได้สงบอยู่อย่างนี้ตั้งวังสงบลงสงบลงได้เปราาความเปลี่ยนไงการที่เราไม่งอนเงินในธรรมปัจจุบันเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันได้การที่เราเห็นความแน่นอนไม่ปัเปลี่ยนในความตายได้ เห็นแบบนี้ตัวว่างกุศลธรรมเกิดนะกุศลธรรมเกิดเพราะอะไรปัญญาไงสติไงสมรช ญ, ญาไงอกุศลธรรมระ ง, งับไปนะอกุศลธรรมคือความเพลินคือความเงอนแงานามแคลนหายไปนะกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดลงไปนัคือลักษณะการทําความเพียรพอเรามีการทําความเพียรด้วยการนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละ ทำความเพียรทางจิตให้มันถูกแล้วเนี่ยจิตเราจะมีความระงับลงกู้ระงับลงอะไรนะก็อกุศลธรรมมันลดลงไงกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นไงธรรมชาติของสิ่งที่เป็นอกุศลมันจะมืดมันจะดีดดิ้นมันจะไม่สงบธรรมชาติของสิ่งที่เป็นกุศลมันจะสว่างมันจะเย็นมันจะมีความสงบ พอเราลดปริมาณความมืดความไม่สงบความเราร้อนเพิ่มปริมาณความสงบความสว่างความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาไงล่ะมันก็สงบลงไปไงมันก็สว่างขึ้นมาเราจึงเป็นผู้สงบได้ผู้ที่ทำความเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตังฟังมีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันเห็นแจ้งในสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ไม่คิดเรื่องอดีตรหรืออนาคตแต่ปล่อยวางในความคิดที่เป็นอดีตผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่วางแผนในสิ่งที่เป็นนาคตแต่สามารถที่จะวางแผนกำหนดกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำได้โดยไม่ไปยึดมั่นตือมั่นปัจจุบันเราอยู่อย่างนี้นะั่ง น, นะจะมีชีวิตอยู่อย่างเนี้ยแค่วันเดียวคืนเดียวหรือแค่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ย การอยู่แบบนี้แค่ไม่กี่นาะทีข้างหน้าที่ถ้เรายังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมีคุณค่ามากมีคุณงามากแต่เปรียบเทียบนะก็อยู่แบบคำนึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วมุ่งหวังสิ่งนี้ไม่มาถึงอยู่ไปร้อยปีเลยเปลือเปลนมีอกุณสมธรรมมากขี้เกขี้คร้านเงอนเงินก่อนแกลน เล่นปนในปัจจุบันคิดแต่เรื่องอดีอนาคตที่ยังไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่ร้อยปีนี่นะเป็นอย่างนี้นะอยู่ร้อยปีเป็นอย่างเงี้ยมันหาค่าไม่ได้เลยคือคุณค่ามันไม่มีเลยไงสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามีเยอะๆมันดีปะะ้าล่ะไม่ดีเพราะมันไม่มีค่าไงมีเยอะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรจิตใจแบบนี้ แต่สิ่งที่มีค่าเนี่ยมีแวบเดียวมันดีนะดวงจันทร์ดูสว่างเวลาตอนกลางคืนเนี่สิบห้าวันครั้งหนึ่งนะไม่ใช่แล้วเดือนหนึ่งครั้งเดียวนันเองพระจันทร์เต็มดวงเนะ่เดือนละครั้งครั้งหนึ่งอยู่เต็มๆก็แก่ไม่กี่ชั่วโมงเยังว่าดีเ ล, ย, ลยเวลาที่เหลือหายไปไหนมันก็ค่อยอ่อนลงบ้างอ่อนลงบ้าง มันก็ไม่สว่างเต็มที่ก็ดีอยู่แป๊บเดียวมันยังดีกว่าซึ่งอะไรที่มันไม่ดีมันอยู่นานๆเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เราเหลืออยู่นี่นะระวังนะจะมากจะน้อยเนยให้มันน้อยบ้างมากบ้างนะทำให้มันได้นะให้มันเพิ่มจากน้อยๆยที่เราทำจิตเราให้สงบได้บ้างน้อยๆเนี่ยให้มันได้บ้างมากขึ้นบ้าง เราจะมีชีวิตอยู่จากนี้ไปสมมติ น, นะร้อยปีสมมติ น, นะแต่นี้เรามีชีวิตอยู่ร้อยปีอุย้ยต่ร้อยปีเนี่ยเราเปลอเปลนเงินเงันกรอนแกลนคิดถึงนอนาคตโดยไม่ได้จะเรียนรู้โดยไม่ได้จะวางแผนให้ถูกได้โอ้ยอยู่แบบนี้ร้อยปีไม่ไดีเอางั้นคุณเพิ่มลงไปคุณเพิ่มจุดที่เราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเห็นแจ้งอย่างไม่เงินเงันกรนแกลน ทำกุศลและทำใหเจริญเพิ่มลงไปเอวันละนาทีอย่างวันที่เรา60สนาทีแล้วเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะอยู่นี่60สนาทีเพิ่มลงไปเพิ่มลงไปจากร้อยปี60สิบนาทีให้มันดีว้าว60สินาทีนั้นดีนะเป็นเกียรติยศเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตของเราเฉ็นเรียกบุคคลนี้ว่าเป็น ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญท่านเรียกบุคคล น, นี้ว่าเป็นมุนีเพราะเวลาเราจะบรรลุธรรมเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวหรือไมยถึงมันรวดเร็วมากช่องเล็กนิดเดียวเวลามันรอดออกไปมันคือออกไปได้แล้วเลยไงต่อให้ช่องมันน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าเราสามารถออกไปได้มันก็หลุดนะช่องเนี้มันจะเล็กลงเรื่อยๆนะแต่เราไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ถ้าเรามีสติสัมภัญญะช่องนี้มันจะปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนะให้เราสามารถเห็นทางออกให้เราสามารถทำความเพียรให้เราสามารถที่จะเรียกได้เลยตามฝังว่าผลัดเพี้ยนกับมั จ, จุราได้เอ้าดกหญิบอกผลัดเพี้ยนกับมา จ, จุราไม่ได้ก็ถ้าเราพ้นจากความตายเพราะไม่เกิดม จ, จุราจะ เ, าเราได้ยังไง เราจะพ้นจากเงืม้อมือของมัจจุราชได้อย่าสร้างเหตุให้มัจจุราชสิอย่าให้เครื่องมือกับมันถ้าเราให้การเกิดกับมัจจุราชมัจจุราชก็เอาเราได้ถ้าเราไม่ให้เครื่องมือกับมัจจุราชมันคือ ก, การเกิดมัจจุราชทำอะไรเราไม่ได้ผู้ที่พ้นจากเงื้อมือของมัจจุราชเขาก็เรียกว่าอมตะไงอมตะคือไม่ตายไม่ตายเพราะไม่เกิด ไม่เกิดจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายวันเดียวคืนเดียวก็นั่นเองตั้มบฟังที่ถ้าเราทำความเพียรอย่างถูกต้องเห็นความจริงในปัจจุบันที่ไม่ว่าอาดีตรหรืออนาคตจะเป็นมาอย่างไรลบปล่อยวางในอดีตและอนาคตเหล่านั้นได้อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะมันคงแล้วสร้างความเคยชินใหม่ใหม่ เคยขึ้นในการกําจัดอาสวะความเคยชินใหม่ที่กําจัดอาสวะอาสวะความเคยชินนั้นก็ละไปด้วยละไปด้วยเป็นมุนีธรรมฟังหมายถึงผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเป็นผู้เรียกได้เลยว่าอยู่ร่วมกันกับพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยธรรมอยู่ใกล้ชิด ก, กันกับสังกติของพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้กันโดยธรรม เห็นแจ้งในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าเห็นท่านเห็นอย่างนี้ล่ละเราก็เห็นธรรมะอันนั้นด้วยให้เราฝึกในการที่จะรักษาสิ่งนี้ให้มันดีได้ตลอดทั้งวันนะฟังรักษาลมหายใจของเราเห็นลมหายใจของเราให้มันได้ตั้งวันในขณะที่ปฏิปธรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งละเป็นรูปแบบการทาเป็นรูปแบบดี เราไม่ต้องออกจากสมาธิเลยให้รักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้มันดีจะอยู่ในอริยบทนั่งหรือจะลุกขึ้นยืนจะก้าวขาเดินออกไปจะวิ่งจะเข้าห้องน้ำจะพูดคุยจะรับประทานอาหารหรือเอนกายลงนอนลมหายใจกอรนมันมีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วให้เห็นตั้งสติสัมปชัญญะไว คิดเรื่องใดๆปรุงแต่งไปยังไงอย่าให้ลืมลมเพราะการที่เราสังเกตลมจะทำให้เราไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นการปรุงแต่งนั้นก็จะระ ง, งับลงระ ง, งับลงจิตใจของเราก็มีกำลังขึ้นกำลังขึ้นเห้ระวังรักษาจิตที่สงบนี้ไว้ให้อย่างดีในช่วงของจิตตะวิเวก คือเป็นการฝึกทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบนั้นจะมาพบกับธรรมุฟังเป็นประจำในทุกวันการตั้งแต่เวล า, าวตีห้ถึงโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิปัญญาภาวนาในรายการธรรมรับอรุณธรรมบุฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนา P-A-N-Y-A o r g P-A-N-Y-A o r g หรือตำพอด์แคสต์แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะ Spotify หรือ Apple Podcast s, หรือตาำ Social Media มี YouTube Channel Facebook Fanpage ก็ได้ขอบคุณพระมหาภัยบูน์อพี่ปุ่นโนและพบกันใหม่ในวันปรุ่งนี้จุดันปน